คัรู้สึกเนี่ยอะไรมา ก, ก่อนความคิดกับความรู้สึกเนี่ยอไรมา ก, ก่อนความคิดมาก่อนเวลาเราเกิดมาเราคิดเลยใช่ไหมเวลาเราเกิดมาเราคิดเลยหรือเปล่าเพราะถ้าดูให้ดีวความคิดกับความรู้สึกอะไนมาก่อนรเราไม่ได้เห็นนะวเวลาเกิดมาเวลาเราไม่รู้สึกตัวหมอทําไงตกุก ถ้าเรายังไม่รู้สึกตบอีกเนตบจนกระทั่งว่าเราว้องร อ, อมาว่าไงเอาแว็วแแวฉันรู้ตัวแล้วฉันรู้แล้วเอาแว็วแวเราเรียกไปเรียกมาเพี้ยนก็กลายเป็นอู้แแว่างคนคิดว่า I'm aware I'm รู้แล้ว I'm แว่ I'm แว่สมัยที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วท่านเดินไป ที่จะไปโปรดไปหาเพื่อนท่านห้าคนนะท่านเปญวัคคีจะไปเอาเรื่องที่ท่านรู้นี่แหละไปบอกเพื่อนเพราะตอนแรกท่านก็ทรมานตัวเองโยจะเร็วจะล้มจะตายท่านก็เลิกว่ามันไม่ใช่ทางพอเลิกทรมานตัวเองเนี่ยเปญวัวคีก็หนีเลย mm hmm. เข้าใจว่าท่านคงทําเต็มที่แล้วคงไม่ได้อะไร mm hmm. อ่ะคงจะหมดความเพียรแล้วเพื่อนก็หนี mm hmm. พอท่านอยู่คนเดียวท่านก็มาสํารวจใหม่ว่า เราก็ทำมาอะไรที่ความเพียรที่ว่าเคร่งที่สุดในโลกเนี่ยไม่มีใครทำเกินเกินท่านอ่ะอะืแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรทำแบบไหนดีเออท่านก็เปลี่ยนวิธีมาดูมาดูสองอย่างคือความคิดกับความรู้สึกเมื่อก่อนนะ้ะท่านไม่ได้ดูนะก่อนที่ท่านจะมาดูานี่ท่านได้ได้สัญญาณอันหนึ่งท่านบอกว่ามีอะไรนะพระอินทร์มาดิดพินใช่ไหม สามสายอ่ะตอนแรกก็ดิดสายแรกจันยานตึงตึงเติมเติมเติมเติมเเติมฟังแล้วไม่พอใจมั้ยล้วก็หมุนเต็มที่เลยไอ้คนดิดพินอ่ะเขาบอกพระอินมาดิดพินให้ฟังสงสัยว่าตรงนั้นเป็นเป็นใกล้สวนสาธารณะเด็กหนุ่มเด็กสาวมันก็คูจะมาเที่ยวแล้วก็มาดิดสีดีเป่อเท่านั้นใช่ไหม เสร็จแล้วก็เมื่อสายนี้มันอเมื่อสายนี้มันมันยานดีดไม่ดังไม่เพราะไอ้คนดีดมันก็หมุนอีกสายนึง่งเปิดเบาเบาก็ได้นะอะกันไม่ต้องเปิดแรงหมุนอีกสายหนึ่งปรากฏดีดอีกทีนี้ดีดปิ้งเดี๋ยวนี้ขาดเลยโอ้สายนี้ผมสายตึงเกินไปแล้วมาหมุนอีกทีนี้หมุนพอดีพอดีดีด ปิ้งิงิงิ ง, ง, งมันก็เพราะท่านได้ยินเสียงแค่นั้นน่ะท่านเกิดปัญญาเลยบอกโอ้สายแรกมันยยาดเกินไปดังไม่พอเลยสายที่สอง้งสายว่ามันตึงเกินไปดีทีเดียวขาดเลยสายที่สามอื่นสายนี้เข้าท่าฟังแล้วเพลา ะ, ละดังเพลอะเออสมัยเราใช้ชีวิตเป็นเครื่องหัด มันก็คงย่าหย่อนอยานเกินไลยอยากกินก็กินอยากเล่นก็เล่นอยากพูดก็พูดอยากไปก็ไปมันก็เลยเป็นชีวิตที่หย่อนอยานเป็นชีวิตที่ไปตามอยากและการมสุขนิการิโยกสายนี้ก็ไม่สามารถจะพบความจริงได้เพราะหย่อนอยานเกินไปเวลาขั้นเราออกบทแล้วเนี่ยเราปฏิบัติเร็จโอ้โหแทบล้มแทบตายเลยจกากระทั่งชีวิต จะไม่ลอดมันก็คงเหมือนอีกสายหนึ่งพอดีแต่ปิ้งขาดเลยไอ้เราก็เกือบตายใช่ไหมเอะพอมันดิดสายที่สามมันเพราะนั่นหมายความว่ามันจะต้องไม่หย่อนเกินไปและไม่ตึงเกินไปพอดีท่านก็เลยหันกลับท่านก็เลิกทั้งหมดเลย <c oughs> เลิกการทรมานตัวเองเลิกไปตามอารมณ์มาดูกายดูจิตที่ท่านใช้ว่าหันมาบาเพ็ญเพียรทางจิตดูกายกับใจ กายเป็นอใจป็นี้กายเปน็ปนงนใจดูสองอย่างใส่กันดูตอนแรกเนี่ยท่านเห็นเลยโอ้เรานี่ยมันทําผิดมาตลอดความคิดที่มันเกิดเนี่ยเราก็รู้ว่ามันเป็นเราท่านความท่านเห็นว่าความคิดเนี่ยมันสร้างตัวอดีตสร้างตัวอนาคตสร้างตัวปัจจุบันแล้วความคิดมาจากไหนอ่ะท่านริ่มเห็นใช่ไหม ท่นกระต่าความผิดมาจากไหนตามไปดูอ่ดูดูใจเอ่ใจก็ดูมันว่างๆมาดูกายใจมันไม่มีอะไรว่า ง, างๆเฉยๆมาดูกายเอ๊ะกายมันมีอาการหนักๆมีอาการร้อนๆมีอาการหนาวๆมีอาการเจ็บๆทุงนั้นคันตรงนี้เอ๊ะอะไใจไม่เป็นแต่ใจกายมันเป็นอะ พอเจ็บหนักๆหน่อยใจสักไม่สบายใจเริ่มมีความคิดอ๋อความคิดก็มาจากกายที่มันเป็นทุกข์นั่นเองอ่ะเริ่มเห็นอ๋อเห็นแล้วความคิดมาจากกายที่มันไม่สบายมันเปลี่ยนแปลงมันแปรปุ่นกายเนี่ยมันเหมือนคนป่วยตื่นขึ้นมาก็ปวดนั่นเจ็บนี่คันนั่นหนาวร้อนใช่ไหมโ ย, ยมตื่นมารู้สึกตัวมว่าเป็นไงสบายหรือไม่สบายโดยเฉพาะคนที่สูงอายุใช่ไหม เืนมาแล้วโหมันปวดมันร้าวทั้งตัวเลยนะกลัวจะนั่นได้กายมันเหมือนคนป่วยอ่าแต่ถ้าจิตไม่รู้จากกายจิตก็ไปสำคัญว่าไอ้ความกายที่มันเจ็บมันแปลปุนเปลี่ยนแปลงมันเป็นของเราก็ไปสำคัญว่ากายนี่เป็นของเราไปสำคัญว่าความเจ็บความป่วยเป็นของเรามันก็เลยไปสร้างความคิดอ๋อความคิดมาจากกายอ๋อกายมันก็เกิดจาก การเปลี่ยนแปลงไปหมดเอากายมันเป็นอนิจจังทุขังนัาา่นต่างทำงานตลอดเวลา่นันก็เห็นอ๋อก่อนหน้านั้นไม่เคยเห็นนะว่าความคิดเยอะเกิดจากอะไรใช่ไหมเวลาขึ้นมาก็ไปเลยคิดมากี้ต่อไปเลยแต่ไม่ไม่เคยมาตั้งใจดูไอ้ความคิดมันเกิดจากอะไรพอมันตั้งใจดูโอ้ความคิดนามันก็เกิดมาจากรูปและรูปนี้คือท่าสี่ขันห้ามันก็เกิดมาจากเป็นตามกฎของ ไตรลักษณ์กฎของสาก곤ว่าอะไรก็ตามไม่ว่ารูปเล็กรูปใหญ่รูปละเอียดรูปประนีรูปที่เป็นนามารูปหรือรูปนามก็ตามต่างก็ล้วนเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์ทั้งหมดเลยต้องเปลีแปรลวนเปลี่ยนแปลงอดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดเวลาไม่มีว่างเว้นที่จะเกิดจนตายอชาติพิทุขาเกิดขึ้นเลยการเกิดเป็นทุกข์ เกิดมาเนี่ยร่างกายเกิดมาเป็นสังขารท่านเกิดขึ้นเลยโอการเกิดเป็นทุกข์แล้วเกิดแล้วมาอยู่เฉยๆได้ไหมไม่ได้มันจะต้องแปลปรนเปลี่ยนแปลงเราเรียกว่าการแก่เป็นทุกข์เรารู้ได้ไงว่าเราแก่เพราะมันมีการเจ็บการปวดมีการไม่สบายความไม่สบายนั่นแะเป็นสัญญาณของความแก่ไม่ใช่อายุ50าสิบเจ็เจ็ิบแปิบแล้แก่ไม่ใชนะ่มันเกิดเพราะมันก็แก่เลยเด็กเด็กนี่ถ้ามันแก่ไม่แก่มันจะโตไหม เด็กถ้ามันจะไม่แก่มันจะโตไหมไม่โตข้อที่มันโตเพราะมันแก่เนะมันแก่ตั้งแต่ในในท้องแล้วนั้นเวลาคนมีท้องใกล้จะคลอดเขาเรียกท้องอะไรท้องแก่ไม่ใช่ท้องเกิดนะใช่ไหอคนนี้ท้องแก่แล้วแก่มาตั้งแต่ในท้องแล้วแต่เราไม่รู้ตัวเออคนนี้ท้องแก่ใกล้จะคลอดล้ะมันเป็น common sense มากๆแต่เราลืมใช่ไหมก็ท้องแก่แล้วแก่มตั้งแต่ในท้องแล้วมันแก่ตั้งแต่เมื่อไหร่ มันเกิดแล้วเกิดมาตั้งแต่ย้อนพนุทธเจ้าก็ย้อนคืนไปเราเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ก่อนที่จะมาเป็นเด็กเล็กๆเนี่ย เ, เป็น New Born, New, Baby, นิวบอลนิวเบบี้ในในท้องเนี่ยมันเกิดตั้งแต่เขาก็ย้อนคืนไปย้อนคืนไปย้อนคืนไปย้อนคืนไปย้อนคืนไปเราอ้อเรามาเข้าท้องแม่เราเข้ามาได้ยังไงจู่จูจ่มันโผล่ขึ้นมาเลยไม่ใช่แม่ต้องมีประจำเดือนอ่ะแม่ต้องมีใคร แม่ต้องมีเลือดแล้วไข่มาจากไหนเขามาจากพ่ออา้าวไข่ของพ่อมาอยู่ในแม่ได้ไงอ๋อสื่อขุ้นไปอีกไนี่ความละเอียดของผู้ิ่เจ้าอ๋อแม่กับพ่อมาเจอกันนั่นแสดงว่าพ่อกับแม่ต้องเห็นกันก่อนใช่ไหมพอเห็นแล้วสองหนุ่มสาวนะั่าเห็นกันถ้าเกิดความชอบความรักเกิดได้ยัง อ่าสาวคนนี้ไปบ่าวคนนี้ไปปิ้งแก่สาวคนหนึ่งก็เกิดความชอบแต่ดูมามาลอยอาชายคนนี้ไปดูเห็นมาลอยสาวพันสาวก็ไม่ปิ้งแสดงว่าความพร้อมที่เกิดก็ยังไม่มีใช่ไหมผ่านมาอย่างยมก็จะแต่งงานกันได้เนี่ยโอ้ผ่านคนรักลงมีรู้กี่คนใช่ไหมแต่มันไม่ปิ้งแต่วันหนึ่งเป็นมันปิ้งขึ้นมาเนี่ยเอาละทีนี้เริ่มต้นละทีนี้การเกิดเริ่มต้นพอ ชายคนนี้มาเห็นเราเราก็ชอบหญิงคนนี้มาเห็นชายนนก็ชอบความเกิดเป็นทุกเกิดความชอบขึ้นมาก่อนใช่ไหมสุขขังอะ่ะเกิดความสุขังเวทนางเวทียามานูเมื่อความรู้สึกสบายความชอบใจเกิดขึ้นเราไม่รู้ทันเพราะความสบายกายเนี่ยก่อให้เกิดโสมนัสคือความชอบใจ พอเกิดโสมนัสความชอบใจเราก็ไม่มีสติปัญญาไปรู้เท่าทันอีกโสมนัสก็พัฒนามาเป็นอภิชาติดใจอภิชาไม่ว่าติดใจอภิชาเกิดแล้วเราก็ยังไม่เท่าทันอีกแล้วกเกิดนันทิคือความสนุกในความติดใจเพลินในความติดใจเกิดนันทิแล้วก็ยังไม่รู้เท่าทันอีกเมื่อเกิดราคะนันทิราคะสหาคาตาในธรรมจักรเห็นไหม มันเกิดมาเนื่องจากเราไม่มีสติตัวเดียวการเกิดจึงเกิดความพอใจตั้งแต่สุขเวทนาเขาว่าสุขเวทนาในความสบายกายเราจึงปรับเปลี่ยนหมุนเวียนให้หาความสบายตอลอดเวลานั่งอยู่ข้างนอกไม่สบายเราย้ายเข้ามาข้างในใช่ไหมนั่งข้างในไม่สบายเราก็ย้ายต่อไปเรื่อยๆแล้วหมุนหาความสบายตอลอดเวลาเพราะฉะนั้นอันสัญญาณแรกที่สุดจึงความสบายทุกคนแสวงหาความสบาย กินอาหารไม่อร่อยแสดงว่าไม่สบายนอนหลับมันนอนไปหลับแสดงว่ามันไม่สบายอาไม่ได้อาบน้ําแสดงว่ามันไม่สบายไฟไม่มาไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมแสดงว่ามันไม่สบายเราก็แสวงหาสิ่งต่างๆมาอํานวยความสะดวกสบายให้กับเราใช่ไหมแล้วมันได้ตามต้องการไหมบางครั้งไม่ได้สู่ทุกครั้งเวทนางเวทียะมานุความไม่สบายกายเกิดขึ้นเมื่อความไม่สบาย เกิดขึ้นไม่ได้ตามต้องการเราต้องการน้าอาบไม่มีน้าอาบเข้าไปในห้องน้าเปิดน้าไม่ออกจะล้างหน้าไม่มีน้ำความสบายหายไปแล้วใช่ไหมความหมุนหงิดเกิดขึ้นมาแทนแล้วแน่สุขก็ให้เกิดทุก ค, ความสบายใจโสมนัสเวทนามันได้อย่างใจมันได้พอใจเมื่อเกิดความไม่พอใจมันเกิดโทมนัสเวทนาความไม่พอใจ ทั้งความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นรู้ตัวไหมไม่รู้มันเป็นอุเปขาเวทนามันไม่รู้เท่าทันโอ้ท่านำระดับไประดับมาพ่อกับแม่มาเห็นกันครั้งแรกเกิดความชอบรักกันไม่รู้เท่าทันเพราะไม่มีสติความไม่มีสติเราเรียกว่าอะไรอะอะไรอะวิชา อวิชาก็ให้เกิดสังขารสังขารก็เกิดวิญญาณไปเลยใช่ไหมปื๊ดไปดุชราโสกบริเทวทุกัตถมนันสวเวทนาอุปายาสไปนู่นเลยขบวนการที่เกิดขึ้นเพราะพระองค์ได้ปฐมญาณญาณแรกเรียกว่าได้เห็นลำดับเห็นอดีตเรียกว่าปุเพนิบาสานุสติญารั้งแรกเลยเพราทั้งลำดับย้อนย้อนย้อนย้อ น, อ น, อนขึ้นไปปารลบสาเหตุว่าไม่การลสาเหตุว่าได้เห็นความ ตึงความย่อนความรู้สึกจากไม่เสียงผิดดังนั้นพอสัญญาณแรกท่านได้เห็นตัวนี้ท่านบอกองค์ได้ตรัสรู้ญาณที่หนึ่งด้วยภูพเพนิวาสานุสติญาท่านลําดับลําดับลําดั บ, ดบขึ้นไปว่าท่านเกิดมาได้อย่างไรทุกนี้เกิดมาจากเพราะมาจากการเกิดความคิดขอให้เกิดทุกความคิดมาจากอะไรก็หมดมาจากกายกายเกิดมาจากเราก็เกิดมาจากความชอบไม่ชอบของพ่อแม่ เพราะนั้นเราเกิดมาจากความชอบความรักของพ่อแม่ที่พ่อแม่เห็นกันแล้วก็เลยชอบแล้วชอบแล้วถ้าเรารักแล้วเนี่ยสมมติว่าเราปิ๊งกับคนใดคนหนึ่งถ้าเราไม่ได้พูดคุยกันถ้าเราไม่เห็นกันถ้าเราไม่พบกันเรารู้สึกเป็นไงสุขหรือทุกข์ทุกข์อ่า เราเพืไปมาหากันไอการที่เราไปโทรหากันไลน์หากันใช่ไหมหนุมสาวพลัละกันใช่ไหมเมื่อก่อนแตสมัยนี้มาทันสมัยใช่ไหมเมื่อก่อนต้องเดินทางไปหากันแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องอใช้ไลน์ใช้เฟซใช้อีเมลใช้เว็บไซต์หากันตลอดวันไหนเมื่อได้เขีย่ยไม่ได้คลิกหากันโอ้มันจะ่ายให้ได้เนี่ยมันเริ่มทีละ น, นิดละ น, นิดทีละ น, นิมันไฮเทค มันทำให้ความรักความชอบมีความหมุนเร็วติ้วยิ่งขึ้นใช่ไหมเพราะนั้นไอ้ฟรีควอนซีของความชอบไม่ชอบเนี่ยมันถูกตอบสนองมันกิ้รุนแรงมากโอ้ตรงนี้พระองค์เห็นได้บรรลุตรงยานที่หนึ่งแล้วปุเพนิวาสานุสติญาณว่ า, า, า, วากายนี่มันมากได้อย่างไรใจนี่มันเกิดขึ้นได้อย่างไร ความคิดเกิดขึ้นอะไรและกายของฉันเนี่ยมันนั่งอยู่ตรงเนี้ยมันเกิดมาจากอะไรเกิดจากความชอบไม่ชอบของเรานนเนี่ยนแล้วเกิดมาแล้วความชอบไม่ชอบติดใจเรามาไหมติดใจติดใจเรามาสัญญาณแรกที่สุด เ, เราชอบเกิดมาเราอยากกินอะไรถ้าแม่ไม่เอาน้ำหยดปากเรารอดไหมเราเหิวอ่าน้ำหยดปากเพิยังไม่อิ่มเอาเอะไรหยดเอานมหยอดอีกอ่า สัญญาณแรกของความอยากมาจากความหิวความหิวเป็นความรู้สึกของกายหรือของใจใกายความหิวถูกบำบัดก็เกิดความสบายเวลามันหิวเกิดขึ้นเรามีสติพอจะรู้เท่าทันไหมไม่สมัยที่เราใหม่ๆแม้แต่ว่าโตมาแล้วแก่มาแล้วไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเกิดความหิววะใครเป็นผู้หิวกายหิวหรือฉันหิว กายมันหิวแต่ว่าเวลาเราไม่รู้ราทานตันกายเป็นใครหิวฉันหิวกูหิวมึงหิวพระหิวอ่าวละทีเนี่ยความอยากมันเกิดมาจากความหิวความหิวเป็นอาการของกายแต่เราไม่มีสติตามรู้รราทานอาการหิวของกายความหิวก็กลายเป็นความอยากความหิวเป็นสมุทัยของทุกข์ไหมเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไหม ไม่เป็นเพราะมันเป็นเพียงไตรลักษณ์แต่ความอยากเป็นสมุทยัยความหิวไม่ใช่สมุทยัยความหิวเป็นกฎของไตรลักษณ์กฎของไตรลักษณ์เป็นกฎของรูปทั้งหมดรูปมันเป็นธรรมชาติทั้งมันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่เอาการเกิดของกายเป็นสมุทัยแต่เอาการเกิดของความอยากเป็นสมุทยัยคือตัณหาทั้งสามไม่เอาทุกเวทนาทั้งสามมาเป็นสมุทยัยแต่เอาตัณหาทั้งสามมาเป็นสมุทยัย อพอจะตามรู้อย่างนี้เป็นรูปอย่างที่หนึ่งถ้าก็ตามไปดูอีกว่าเอ๊แล้วไอ้ความพอใจความไม่พอใจความสุขความทุกขนะ์เนี่ยไอ้รูปเนะี่ยท่านตามไปอีกนะความสบายานั่สบายของรูปรูปเกิดขึ้นจากความพอใจไม่พอใจแล้วความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นได้อย่างไรอ่ารึกตามไปอีกตามไม่ทันนะความสบายกายนะี่เกิดขึ้นในอย่างไร รู้ทันใช่ไหมเพราะเกิดขึ้นจากกรรมจิตอุตุอาหารเราปรับกรรมกายกรรมหาความสบายตลอดเวลานั่งอย่างนี้ไม่สบายก็เปลี่ยนอย่างนี้อ่นานี้นี่กรรมจิตเข้าไปรับรู้ว่าโอนี่ทัานย้ายขาอย่างนี้ทารู้สึกสบายนะจิตเข้าไปรับรู้อุตุอากาศตรงนี้ถ้าร้อนแรงเกินไป เป็นเหตุให้เกิดไม่สบายก็มาหาพัดลมมหาห้องแอร์สบายอ๋ออุดุก็เป็นสาเหตุของความสบายไม่สบายของกายวันนี้เวลาเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงไม่ได้ทานอาหารรู้สึกเป็นไงโอ้ไม่มีเกี๊วข้าวเลยวันนี้เขาไม่ได้ทำเกข้าวรู้สึงไงกไงนักปฏิบัติรู้สึกไงอย่าว่าแต่นักปฏิบัติอย่าว่าแต่ผู้มาปฏิบัติแม้แต่พระปฏิบัติชํานาญถึงเวลาไม่ได้ฉันเป็นไงพระก็คิดแหละใช่ไหมเอ๊ะทำไมถึงเวลาฉันไม่ได้ฉัน อ่ากรรมจิตอุตุอาหารเป็นเหตุให้เกิดความสบายรด้วยสบายทางกายด้วยแล้วไม่รู้เราไม่ตามกําหนดรู้กรรมจิตอุตุอาหารมันก็เกิดให้ความอยากทางจิตความไม่พอใจทางจิตอยากจะได้กินไม่ได้กินเป็นความทุกข์ทางจิตอ่ตามตรงนี้กรรมจิตอุตุอาหารทําให้เป็นสาเหตุของทุกข์ของรูปของนามท่านสืบไปสืบมาแล้ว ก, กัมจิตอุตูอาหารมาจากอะไรอีกนี่คือวิธีการท่านสืบส่อเข้าไป มาจากอะไรมาจากการกระทบอ่ามาจากการระทบของสองสิ่งการกระทบเกิดจากเกิดมีการเขาว่าเกิดแล้วมีการเขาว่าดับเกิดขึ้นอ่าการเกิดการดับอะไรเกิดความคิดเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเกิดความหิวเกิดแล้วความหิวอยู่ได้ไหมสักพักหนึ่งความหิวก็ดับไป ค ว, ความอยากเกิดขึ้นมันก็ดับไปแต่การเกิดดับของความหิวความอยากมันมีความถี่สูงมากเรียก ว, ว่าเป็นไฮฟรีแควนซีเมื่อมีความถี่สูงแล้วเราก็เลยกำลังของสติปัญญาที่เราไม่ได้ฝึกมันมีความถี่ต่ำเมืม่อความถีตม่ต่ำเราก็ไม่สามารถจะรู้เท่าทันความเป็นไปขอ ง, ของกายของใจความสบายไม่สบายเราจึงมาฝึกอะไรฝึกสติ ให้เกิดความถี่สูงพอๆเท่า ก, กับจิตเพราะนั้นสติจึที่ว่าในวันก่อนสติแปลว่าอะไรนะแปลว่าวิ่งแปลว่าแล่นใช่ไหมเพราะสติมาจากคําว่าสาราธาต์แปลว่าสอนสอคอสลาลเลือแปลว่ารูปสอนสติแปลว่าเล่นพอไปลงติปัใจจัยในอาขยาตตามภาษาบาลี รอเลือหายไปเหลือแค่คำว่าสติเป็นสติแต่รากเดิมเดิรู้เดิมของคําว่าสติมาจากคำว่าสระแปลว่าสอนแปลว่าแล่นแปลว่าวิ่งสติแปลว่าภาวะที่วิ่งไปทันจิตไม่มีอะไรที่จะวิ่งไปทันจิตได้นอกจากคําว่าสติสติจึงแปลว่าวิ่งแปลว่าแล่นแต่ถ้าสติทีนี้มันไปลงณนะปัใจจัยในอากาศมันเหลือรอเรือเอาไว้ เราจึงเรียกว่าสาระอะไรสาระ น, นเนินณปัจจัยในอาขยาตบาลีเป็นสาระอันนั้นคําว่าสติกับสาระเป็นคําเดียวกันหรือคุณลคำเป็นคําเดียวกันแต่ลงปัจจัยคนละตัวติปัจจัยไปลงแล้วมันลบหลังธาตุหนึ่งตัวหรือคําว่าสติแต่พอไปลงหน้าปัจจัยมันรักษาธาตุหลังเอาไว้เป็นสาระเพราะฉะนั้นสติจึงคือพุทธังสารนังคัจฉามิสติเป็น ที่พึ่งของเราทำมังสารังคสามิพระธรรมคือสติเป็นที่พึ่งของเราสังขังสารังคสามิกายกับใจรูปกับนามาเป็นสังขากันเป็นที่พึ่งของเราเนะั้นพระพุทธธรรมประสงค์ที่แท้จริงคืออะไรก็คือสติอ่าจเจริญสติอย่างเดียวพระพุทธธรรมประสงค์เกิดไหมเกิดแล้วเราสงสัยไหมเราก็ยังสงสัย เพราะเราไปรู้แต่พระพุทธประธานพระสงฆ์ที่ไหนข้างนอกใช่ไหมพระพุทธคือทองคําพระธรรมคือใบลานพระสงฆ์คือลูกหลานชาวบ้านที่มามป่วยเราก็ไปเอาพระพุทธประธระสงฆ์ตรงนั้นมาเป็นที่พึ่งแล้วพึ่งได้ไหมไม่ได้พระต้องพึ่งโยมพระโยมไม่ให้ที่พึ่งพระอยู่ไม่ได้ใช่ไหมเออไม่ให้อาหารไม่ให้ปัจจัยสี่พระอยู่ได้ไงเออใครพึ่งใครกันแน่โยมพึ่งพระหรือพระพึ่งโยมกันแน่ใช่ไหม พระพุทธคือทองคําเนี่ยโอ้โหถ้าไม่ไปซื้อมาท่านจะไมานั่งตรงนี้ได้ไงเราก็ไปซื้อมาพระพุทธคือทองคํำพึ่งใครก็พึ่งเราอีกเราต้องไปซื้อมาตั้งไว้พระธรรมคือเวลาพระจะไปดูดในตู้ถ้าเราไม่ซื้อมามาตั้งตรงนี้ได้ไม่ได้พระพุทธธรรมพระสงฆภายนอกพึ่งเราหมดแล้วหลือว่าเอาพระทธธรรมพระสงฆที่พึ่งพึ่งยังไงมันกลับกันใช่ไหมพอเรามาเข้าใจธรรมะตรงนี้โอ้พระพุทธพุทธังสังฆัชฌมิขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่ง พุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเาภาวะรู้ตื่นบิกบานเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นได้เพราะเราเจริญสติให้รู้ตัวใช่ไหมพอรู้ตัวก็ตื่นตัวพอตื่นตัวก็ไปไงเบิกบานใจอ่าสติคือพุทธะธรรมะธรมังสนังก็ฉามิขัเจ้าก อ, อถึงซึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งถ้าธรรมก็คือภาวะที่ทรงสติไว้ธรรมะมาจากธรารธาตุแปลว่าทรงไว้การที่เราทรงสติไว้ได้นา น, าน มันกลายเป็นตัวสภาวะที่เรียกว่าสมาธิอะสมาธิคือพระธรรมแล้วความรู้สึกตัวคือพระพุทธใช่ไหมสมาธิที่ทรงไว้ทรงสติไว้นานๆจ น, น, นกระทั่งรักษาจิตไว้ได้ไม่ให้วอกแวกหวั่นไหวทางอื่นเป็นสติกลายเป็นสมาธิสติแปลงเป็นตัวสมาธิแล้วสังขังสรณะกัตฉามิสติมาทรงรักษาสังขะคือรูปกับนามเอาไว้ สังขะในปรมาภิคือรูปกับนามคือกายกับใจมาสังขากันมาสามัคคีกันกายกับใจก็เลยอยู่ด้วยกันเพราะกายกับใจด้วยกันสติก็กะเกิดเป็นตัวตัวรูปคือรูปกับนามมาสังขารูปนี้มีสติและมีสมาธิก็ขอให้เกิดตัวที่สามคือปัญญาอ๋อท่านลำดับไปแล้วท่านทะลุเลยเห็นว่าอาการทั้งหลายทั้งปวงมันมี เป็นการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวของการเกิดดับตลอดเวลาท่านได้เห็นการเกิดดับเราเรียกยานที่สองว่าจุตูปปตาตญาจุติแปลว่าดับอุบัติแปลว่าเกิดเอาคําว่าจุติก็อุบัติมาบอกกันเป็นจุตูปปตาตญาบรรลุยานที่สองในเวลาตั้งแต่ห้าท่มถึงดีงงสองหลังจากนั้นท้าก็เลยอุบูตาสว่างขึ้นมาเออฉันไม่เคยรู้อย่างนี้มาก่อนเลยนะ แล้วก็ตามดูจิตที่มันเกิดมันดับด้วยความเร็วที่สูงมากจนกระทั่งเห็นอ๋อทั้งนั้นจิตที่มันเกิดมันดับถ้าหากว่ามีสติสัมผัส ย, ายา่เข้าไปรู้มันก็เป็นการเกิดดับของอะไร่างปัญญาเกิดขึ้นเกิดดับของตัวรู้แต่เมื่อก่อนไม่มีการสติเข้าไปสารวจนี่มันจิตของเราที่มันเกิดมาดับเป็นการเกิดดับของตัวอะไร ตัวไม่รู้อวิชาก็ให้เกิดอาสะวะธรรมใช่ไหมต่อเรื่อเมื่อเกิดการเดบของตัวรู้สึกตัวที่เราทำเนี่ยมันเห็นอยู่ก็สามารถทําลายอาสะวะได้ดเพียงแต่เอาตัวรู้เข้าไปแทนตัวไม่รู้อาสะวะก็หมดเกิดญาณที่3อาสะวะขยายญาณพระองค์บรรลุ ต, ตั้งแต่ตีสองถึงตอนเช้าของวันสิบห้าค่ำเดือน6ท่านก็เลยบรรลุธรรมด้วยอาการรู้ญาณทั้ง3มตรงนี้เองยากไหมที่หลวงพ่อพูดมาในยากไหม ไม่ยากเข้าใจได้แต่ทำไมเรามาสอนอยางยากเหลือเกินก็เพราะรู้แบบไม่รู้มันก็เลยพูดแบบไม่รู้พูดรู้แต่ไม่รู้ ร, ร, รู้แต่ปริยัติแต่ไม่รู้ปรมัดอ่ะโอ้ตรงนี้เองแล้วค่อยสืบสารพรุทธเจ้าต่จะรู้อย่างไรพอจับเขาตรงนี้ได้มาก็โอ้โห หลวงพ่อเทียนพูดคําว่าสติคําเดียวครอบคลุมทั้งหมดแล้วท่านสอนคาเดียวมาตลอดชีวิต30ปีตั้งแต่พอสองพถึงพอสองพมสอท่านพูดเรื่องเดียวคือเรื่องสติแล้วมีใครสักกีคนฟังท่านใช่ไหมแต่พวกเราโชคดีที่ได้ฟังท่านแล้วทำความเข้าใจตั้งแต่นั้นมาเอามาเรียนอะไรมาทั้งหมดมาเลิกหมดเลยนะที่แรกว่าเรียนจูบแล้วไปทำวิยาโทวิยาเอกต่อไม่ต้องเลิกเลย ตอนที่มามาปเป็นญานพยาธิ์อยู่เนี่ยไปพบหลวงพ่อเทียนเข้าใจอันเนี้ยเข้าใจเรื่องนี้เลยเวลาบอกหลวงเทียนผมไม่เรียนต่อแล้วนะตอนนั้นอยู่ปีสองผมไม่เรียนต่อนละ้วหลวงพ่ออ้าทําไมก็เรียนต่อไปไปเรียนทําไมมันมันมันไม่มีถ้าเรียนรู้เรื่องนี้ทุกคนเจียเลยไปเรียนต่อให้มันทุกทําไมล่ะท่านบอกโอ้ไม่ได้เพราะปัจจุบันเนี่ยคนมันเห็นเรื่องปริยาว่าสําคัญแต่ความจริง ปริยามันเหมือนผ้ายันกันผีพ้ายันกันหมาเพราะฉะนั้นเวลามีผ้ายันเนี่ยหมาจะไม่กัดผีจะไม่หลอกเพราะนั้นไปเรียนเอาผ้ายันมาไว้ก่อนว่างั้นไปเรียนให้จบซะก็เลยไปเรียนจบก็ได้ปรญญามาเออได้พ้ายันกันหมาใครมาว่าเราไม่รู้ไม่ได้นะคนมันติดความรู้ใช่ไหมออพอจบแค่นั้นก็เลิกละตอนนั้นจะเห็นว่าโอ้ เราได้เกิดมาพบหลวงพ่อเทยนเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสำคัญมากเพราะอะไรเพราะท่านพูดอยู่คำเดียวคือคำว่าสติแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็รู้อยู่เรื่องนี้ท่านก็พูดแต่เรื่องนี้เท่านั้นแต่เนื่องจากว่าพูดกับคนหลายคนหลายพบหลายชาติหลายภาษาไอ้ตัวคำคาเดียวมันก็แยกเป็นหลายสำนวนหลายเรื่องหลายลาวหลายประสบการณ์หลาย เผ่าหลายพันหลายาศาสนาหลายรัฐที่ใช่ไ้มมันยยกอแยกแยกออกไปจากสติคำเดียวเป็นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันโมเมหรือเปล่าไม่ได้โมเมเลยเพราะคำสุดท้ายยืนยันในความจริงข้อนี้ท่านบอกว่าหันทธานีพิกเวอมันตยามิโวขยะวยธรรมาสังคาราอัปปมาเทนะสัมปาเทถะ ดูก่อนพิกษจทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเปลี่ยนแปลงแตกดับตลอดเวลาขยะวิยะธ ร, รมมาเธอทั้งหลายอ ป, ปมาเทนะสัมปาเทธะให้เจริญสติตลอดเวลาอ ป, ปมาเทนะแปลว่าความไม่ประมาทความไม่ประมาทคือไม่ขาดสติท่านจะบอกว่าเจริญสติก็คือเจริญความไม่ประมาทตลอดเวลาโอ้เห็นไหมเป็นคําแรกและคําสุดท้ายนะ ดังนั้นก็จึงอยากจะยืนหยัดยืนยันให้นักปฏิบัติญาติโยมของเราว่ามาทําเรื่องเนี้ยอย่าไปลังเลเลยทํามันไปเรื่อยๆมันไม่รู้วันนี้มันก็ต้องรู้วันพรุ่งนี้ไม่รู้พรุ่งนี้ก็รู้มื่อวันนี้ไม่รู้ปีนี้มันจะไปรู้ปีหน้าไม่รู้ปีหน้าก็เจ็ดปีข้างหน้ามันอาจจะรู้ใช่ไหมถ้ามันหนาจริงๆนะช่วยอะไรไม่ได้มันหนาจริงๆหมายความว่าถ้าเราเข้าถูกทางนะจะช้าเท่าไหร่ก็ช่างมันใช่ไหม โยมนั่งรถจากที่นี่ไปถึงกรุงเทพอาจจะห้าชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงถึงใช่ไหมแต่ถ้าโยมเดินไปอ่ะใช้เวลาเท่าไหร่เดือนหนึ่งอาจจะถึงนะกรุงเทพใช่ไหมก็ยังดีเข้าไปถึงาากรุงเทพเพราะเราจะไม่หลงทางช้าช่างมันเหมือนกันเพราะเราจับต้นทางไม่แล้วนาะคีภพกี่ชาติก็ช่างมันเราจะไม่เกิดในนรกอย่างน้อยพรเราได้รู้จักนี้อย่างน้อยก็ได้ดวงตาเห็นทําเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนี่ไม่ตกนรกแล้วนะเราสามารถจะไปแม้จะเกิดได้แต่ด้วยบอกว่าไม่เกินเจ็ดชาติหรอก ตรทุกต้องหมดนะพอรู้อย่างนี้ปั๊บแล้วก็โอ้ท่านบอกว่าธรรมจักรที่ท่านตรัสว่านักปฏิบัติพึงเว้นละเว้นทางสองทางคือทางสุดตรงหนึ่งกามาสุขานิกานุโยกอันโตนเทวอันโตอันโตปัพชิตเตนะคือละกามาลึกขานิยโกและอัตตะอนัตตะอัตตกิลมถานุโยกคืออย่าไป ย่อนยานเกินไปแล้วอย่าไปตึงเกินไปให้เอาฐานสายกลางให้พอดีในคําว่าพอดีนี่มันขนาดไหนพอดีใครพอดีมันไม่ใช่เอาพอดีของธรรมานะโยมก็ต้องเอาพอดีของโยมอรตมาทานข้าวสามจานอิ่มมือหนึ่งแต่โยมอาจจะจานเดียวก็อิ่มอ่ะใช่ไหมแต่อนามาไปทานแบบจานเดียวของธรรมานี่ไม่ได้โยมอาตมาก็หิวแต่โยมจะมาทานสามจานแบบธรรมาก็ไม่ได้อิ่มเกินไปพอดีใครพอดีมัน เพราะ น, นันการปฏิบัติแล้วแสวงห้ความพอดีของตัวเองมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางที่ท่านก็ให้จำกัดความหรือ d e ฟ i n i t i o เอาไว้ว่าทางคําว่าทางสายกลางเนี่ยอย่างไรเรียกว่าสายกลางนะอย่างไรเรียกว่าสายกลางแล้วรู้ว่าไม่ตึงไม่หย่อนอืมันรู้ฟังแล้วกำกวมนะท่านบอกว่าทางสายกลางมาดูตรงด้ว่าหนึ่งสัมมาทิฏฐิให้ เห็นถูกต้องถ้าเห็นถูกต้องเห็นอย่างไรท่านก็ให้คําจํําวจากัดความไว้สีความหมายหนึ่งเห็นถูกต้องหนึ่งเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์แต่ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นอะไรเป็นเราใช่ไหมเป็นเราเป็นของเราเป็นหญิงเป็นชายเป็นกรูเป็นมึงเป็นอ่าคนนั้นคนนี้แต่ความจริงแล้วร่างกายนี้เป็นใครร่างกายนี่เป็นทุกข์นี่ย ให้เห็นอย่างนี้ก่อนนะสองทุก์นี่มันมาเองไหมคือมันมีที่ไปที Two, <polynom ió. S 1> ่มามีที่ไปที่มาสองสมุทัยเห็นให้เกิดทุกของเหตุให้เกิดทุกคืออะไรเหตุของทุกทางกายก็คือกรรมจิตอุตตูอาหารว่าไปเมื่อกี้แต่เหตุเกิดทุกทางจิตมีอยู่สามคืออะไรความอยากแล้วก็ได้สมอยากแล้วก็ไม่ได้สมอยาก การได้สมอยากแล้วภาะตันหาไม่ได้สงอยากแล้ววิภาวะตันหาถ้าได้สงอยากแล้วว่าความอยากแล้วกล่าวมาตันหาใช่ไหมแล้วก็ขวนขวายหาการไม่มีลูกก็อยากได้ลูกไม่มีผัวก็อยากได้ผัวไม่มีเมียก็อยากได้เมียไม่ได้รถก็อยากมีรถไม่ได้บ้านก็อยากมีบ้านไม่ได้ชื่อเสียงก็อยากมีชื่อเสียงอยากพอขวัขวายหาก็รจะได้ลูกได้ผัวได้เมียได้ยศได้ตำแหน่งมาทุกไหมทุกได้มาแล้วก็มาติดยึด เราอันนี้ลูกของกูผัวของูเมี ย, ยของกูตำแหน่งของกูรถของกูบา้านกูใครมาแตะต้องไม่ได้เพราะตันหาคิดว่าเนี่ยเป็นของฉันแล้วของเรานี่มันเที่ยงแท้ทาวลไหมไม่เป็นไปตามกดของแต่ลักมันจะเกิดไม่ได้ตามอยากแล้ววิภาวะตันหาเรียกว่าไม่พอใจ dislike like dislike นะนั่นเราจะบอกว่าอ๋ออันนี้เองสมุทยัยที่ไปที่มาพอรู้ที่ไปที่มาออสมุทยัยให้รู้ว่า ทุกที่เรากำลังมีอยู่เนี่ยที่ไปที่มาก็คือถ้าทางใจแล้วว่าความอยากแต่ทางกายคือความไม่ดีของความไม่พอดีของสี่อย่างจำให้ดีนะความไม่พอดีของกรรมความไม่พอดีของจิตใจความไม่พอดีของดินฟ้าอากาศความไม่พอดีของอาหารกรรมจิตอุตตุอาหารเป็นเหตุให้เกิดความไม่พอดีเรามาปรับสี่อย่างนี้พอดีปั๊บร่างกายจะไม่ทุกข์ แต่ร่างกายทุกข์เพราะอย่างสมว่าเรานั่งนานเกินไปเป็นกายกรรมที่ไม่ถูกต้องแล้วใช่ไหมแล้วก็ปรับหาปรับหากายกรรมที่ป่วไอ้การปรับหานี่คือมัชฌิมาปฏิปทามันจะเกิดความพอดีของมันสบายใช่ไหมเอานั่งอย่างนี้นานๆมันก็ปวดอีกละเพราะทำไมมันจึงปวดเพราะว่ามันเป็นไปตามกฎของอะไรแใจรักใช่ไหมเปลี่ยนแปลงไปปูนแตกดับเปลี่ยนแปลงไปปูนแตกดับตลอดเวลา เมื่อเปลี่นแปว่ตกดับตลอดเวลาก็ให้เกิดความสบายไม่สบายเมื่อสบายไม่สบายแล้วก็ปรับหาการปรับหานี่เองเรียกว่าการบําบัดดังที่กล่าวไปเมื่อวานกรรมบัต ร, ตรมีสองลักษณะหนึ่งถ้าบําบัดด้วยความไม่รู้การปรำบัดนั้นกลายเป็นอะไรสันอะไรลืมละสันชาติตยานแต่บําบัดด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวการบำบัดนั้นก่อให้เกิดปัญญาญาณ ดังนั้นเรามาทำไมต้องมาสร้างสติเยอะเพื่อให้รู้ทันว่าทุกข์มันเกิดเยอะเหลือเกอินวันอะไรใช่ไห ม, มเกิดตลอดเวลาเพราะนั้นเราต้องรู้ตัวตลอดเวลาไอการที่จะรู้ตัวตลอดเวลาจะต้องมีอะไรมีสติที่ไม่ใช่ธรรมดาเมหาสติประานต้องใช้สติพี่ใหญ่มากใช้สติระดับมหาเลยนะสติน้อยไม่พอนะสตนิน้อยมันก็เป็นสัญชตาตญาณเพิ่มเป็นมหาสติเป็น ปัญญาญาณเพราะฉะนั้นเราจึงทํำตลอดเวลารู้ตลอดเวลาเพราะถ้าเผลอนิดความไม่รู้มันก็เข้าแล้วถ้าถามว่าจะจบเมื่อไหร่หลวงพอ่อเดินสร้างจังหวะเดินโยกมมเนบางคนทําไปคนมันเบือ่อเนาะขี้เกียจทําอะไรซ้ำๆซากๆนานๆมันเบือ่อจะจบมเมื่อไหร่หลวงพ่อเดินโยกมุมสร้างจั ง, งหวะไมาเห็นมันจบเลยถามว่าโยมหายใจเนะี่ยโยมจะจบเมื่อไหร่โยมกินค่าจะจบเมื่อไหร่เคยถามตัวเองไหมไม่เคยถามเหมือนกันอะ ถ้าโยมไม่อยากจะทุกข์ก็โยมก็ต้องรู้ตัว ต, วตวลอดเวลานะแต่เราจะรู้ด้วยวิธีไหนเนี่ยไม่จําเป็นองสร้างจังหวะเดินจูคุมตลอดเวลาอยู่ทําอะไรก็ได้รู้ตัวเก็บอัศานะรู้ตัวได้ไหมรู้ได้จัดอัศานะได้การเคลื่อนไหวมีตั้งหมื่นตั้งแสนรูปแบบแต่ว่าทําไมต้องมายกมือเพื่อว่าอันนี้เป็นรูปแบบตั้งต้นทนน่านเองเขาเรียกมันเป็นต้นไม้อ่ะ มันขึ้นต้นเดียวใช่ไหมกิ่งใบมันเท่าไหร่เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านใช่ไหมอันนี้การสติคือความรู้สึกตัวอันเดียวนี่แหละแต่มันสามารถไปแยกเป็นตัวรู้เป็นหมื่นเป็นแสนรู้ขึ้นอยู่กับเราจะเอาไปจับทุกขณะไหมหายใจรู้ตัวได้ใช่ไหมปีนไส้ไหลขัว ห, หยิบนู่นหยิบนี่รู้ตัวได้ไหมรู้ได้ภาพตาปากรู้ตัวได้ไหมได้นั่งนิย็นแล้วนอนแข็งเค่ ง, งตึงรู้ตัวได้ไหมได้ นั่นเห็นไหมตัวรู้เกิดได้ตลอดเวลาแต่ว่าเราต้องคอยอะไรคอยมีสติกระตุ้นให้ระลึกรู้เท่านั้นเองพอมารู้อย่างนี้โอ้พระพุทธเจ้าได้บอกความจริงอันนี้แก่เราเราก็าเลยไม่สงสัยในสิ่งที่หลวงพ่อเทียนสอนเพราะว่าตรงเป๊ะกับสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสรู้เลยนะพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดแต่ถ้าหากว่าใครมาสอน เรื่องสามอย่างเนี่ยอันนั้นหมายความว่าพุทธเจ้ายังอยู่อันนี้พุทธเจา้าตัดนะอุปาทาวาพิกเวตธาคะนังตธาคต า, านังอนุปาทาวาตธาขตานังฉันจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามแต่สิ่งสามสิ่งที่ทํางานตลอดเวลาสิ่งนั้นคืออะไรทิตาวสาธาตุธรรมะทิธรรมานิยามตาสิ่งนั้นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาถ้า มีการสอนอนิจจังทุกขังหน้าตาได้และยังเข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังหน้าตาได้ก็แสดงว่าคำสอนพุทธิยากก็ยังอยู่นั่งไปตอนแรกสดชื่นดีอัตออมามันเหงามันหาวมันเป็นอะไรเป็นอนิจนนนจังทุกขงังหน้นนาตาอนิจจังทุกขังที่ตามันเกิดขึ้นเราตามรู้อนิจจังทุกขังตากลายเป็นสติสมาธิปัญญาแต่ถ้าไม่ได้ตามรู้อนิจจังทุกขงังรากายเป็น พรพิชาและโทมานั์หรือกลายเป็นราคาโทสามโมหะทันทีเลยนะเพราะนั้นตัวแปรที่สำคัญที่สุดคือตัวรู้เราจึงรู้เยอะๆอยางไงไม่ใช่รู้เยอะๆอยู่บ่อยๆรู้จนไม่ลืมนะรู้จนไม่ลืมแต่ทำไมดูเป็นเรื่องง่ายแต่ทำไมทำยากเพราะอะไรไอ้หนูนั่งไม่สวยเลยนั่งใหม่เออนั่งมาตรงกลางนี่ยันทันพิงเธอยังหนุ่มสาวอยู่ไปนั่งแบบคนแก่ไม่ได้ นั่งให้ตัวตรง ใ, ใจให้ลึกให้สงะผ่ า, าวเผยไปทำหมาซอมซ้ออย่างนี้มันหมดสภาพนะทำให้เกัาพี่กับเปล่าตื่นตัวนะคนมีสติต้องเบิกบานแจม่มใสไม่ใช่ทำหน้าหิว้วคิวขมวดแล้วจะเห็นว่าการฝึกไม่ยากแต่มันยากตรงไม่มีคุณสมบัติห้าประการหนึ่งศรัทธาเรายังไม่พอการฝึกยิงยาก ใช่ไหมศรัทธาคือความรักความพอใจความชอบใจความมั่นใจความจริงใจยังไม่พออย่างเราไปรักหนุ่มรักสาวเนี่ยถือว่ามีศรัทธามากๆากใช่ไหมอ่าสติก็เหมือนกันต้องรักกันขนาดนั้นเลยสองเราเมื่อไม่มีความรักความพอใจเราจะลงมือเป็นไหมขาดการลงมือคือไม่ทาความเพียรการที่มานั่งทาอย่าง ต่อเนื่องทั้งหลายๆชั่วโมงเนี่ยถ้าความเพียรความรักไม่พอความเพียรก็จะไม่พอเรารักลูกรักพ่อรักแม่รักผัวรักเมียเนี่ยรักต่อเนื่องเปสิปีสี่ตลอดชีวิตเรายังรักได้เลยใช่ไหมถ้ารักตัวเองรักสติทําไมจะรักไม่ได้นะน่ะสองความเพียรเราไม่พอความรักหนึ่งความรักไม่พอสองความเพียรเราไม่พอส ความรักและความเพียรบวกกันแล้วเนี่ยถ้ามันถูกต้องมันจะก่อให้เกิดอีกสามตัวคือสติสมาธิปัญญาท่านเรียกธรรมโหนนี้ว่าอินทรีย์ถ้าทําให้มันจริงขึ้นมาได้ถ้าหากความรักและความเพียรเพียงพอกอให้เกิดสติสมาธิปัญญามีกําลังขึ้นมาเรียกว่าพละอินซีกลายเป็นพละสติสมาธิาสถาวิยะสติสมาธิปัญญากลายเป็นสิ่งที่มีกําลังขึ้นมาเมื่อกลายที่เป็นสิ่งที่มีกําลังขึ้นมานี้มันก็ทําให้ เราปาราความเพียรได้อย่างไม่ทอ้อถอยแต่เปิดกี่วันหนุ่มพ่อทำมันนี่ตั้งแต่ปีพศ2 2 2 ะ, ะ, ะจนถึงเดี๋ยวเนี้ยกี่ปีแล้วถามว่าเคยเบื่อไหมไม่เคยเบื่อมีได้คิดถึงมันถ้ารักหนุ่มรักสาวนี่ยังคิดเบื่อกันว่างใช่ไหมเออพอมีลูกสักคนเนอะแต่คนทางอยู่ก็แล้วกันอแต่ตอนที่ไม่มีลูกด้วยกันโอ้รักกันเหลือเกินเหมือนกันอะสติเราจะต้องรักขนาดนั้นเป็นรักอมาตะ นะเป็นอมตะรักที่เป็นนามธรรมเนี่ยเป็นรักอมตะแต่รักที่เป็นรูปธรรมมันอมตะไม่ได้เพราะมันจะต้องเป็นไปนตามอะไรกฎของอนิจจังทุกขังหน้าตาแต่ความรักที่เป็นอมตะเพราะมันไม่ขึ้นอยู่กับอนิจจังทุกขังหนาตามันเป็นไปเหนือกฎอนิจจังคือตัวรู้เนี่ยตัวรู้เนี่ยมันไม่แปรปรวนไม่เปลี่ยนแปลงไม่แตกดับเหมือนกัารูปนะ ตัวรู้มันมีอยู่แล้วแต่ละเวลาแล้วเกิดมาแล้วก็รู้ตัวละถ้าคนไหนไม่รู้ตัวคนนั้นก็อยู่ไม่ได้อยา่างที่ที่ว่ามาเมื่อกี้ถ้าเราเกิดมาเราไม่รู้ตัวหมอเธอทําไงต้องตีแรงๆให้เรารู้ตัว <c oughs> พอเรารู้ตัวแล้วที่นี่นู่นน่ะตายเมื่อไหร่ก็นไปนั้นพอตายไปแล้วไอ้ตัวรู้ตัวของเรานี่ยังไม่บริสุทธิ์นะไอ้ตัวรู้นี่ต้องไปเกิดใหม่อีกสมมติาตายด้วยความอยากตายด้วยราคะตายด้วยโทสะตายด้วยโมหะ ตัวรู้ไม่บริสุทธิ์ก็ต้องไปเวียนว่ายใจเกิดใช่ไหมตามตัณหาของเราวันนั้นเราปฏิบัตินี่เพื่ออะไรเพื่อมาลีไฟเพื่อมากันมากรองเมื่อมาคัดมากรองให้ตัวรู้ของเราบริสุทธิ์เมื่อตัวรู้ของเราบริสุทธิ์แล้วธาตุบริสุทธิ์ะฉะนั้นพระอรหันต์ตายแล้วกระดูกของท่านก็เป็นไงกลายเป็นธาตุใช่ไหมบริสุทธิ์แหละแม้แต่ธาตุแม้แต่เนื้อและหนังก็กลายเป็นธาตุเพราะว่าเป็นธาตุแท้พิสุทธิ์กันได้ที่กระดูกใช่ไหมล่ะ เป็นธาตุแท้ว่าหมดกิเลสละแล้วคนที่ยังมีกิเลสกระดูกจะไปไงกระดูกสีเขียวสีดําสีอะไรไปแน่เห็นไหมเพราะนั้นเราก็ต้องมาทําความเพียรเพื่อให้ตัวรู้ของเราบริสุทธิ์รู้ยังมีโลคอยู่ก็ยังไม่บริสุทธิ์รู้ตัวแต่ยังมีโกรธอยู่ก็ยังไม่บริสุทธิ์รู้ตัวแต่ยังหลงอยู่ก็ยังไม่บริสุทธิ์แต่รู้ตัวนี้ที่บริสุทธิ์คือไม่มีความโรคความโกรธความหลงอยู่ในนั้นด้วยเป็นตัวรู้บริสุทธิ์เรียกว่าเป็นคุณอันดับหนึ่งของ ผู้รู้เรียกว่าบริสุทธิ์ที่คุณใช่ไหมคุณของผู้รู้อะ่ะคุณของวุฒิย่าสามประการจาได้อยู่ไหมเพราะฉะนั้นต้องทําตัวรู้ที่เราทำเนียทําตัวรู้ให้บริสุทธิ์บริสุทธิ์ขณะที่ยกมือเนี่ยถ้าเรามีความคิดแทรกเข้ามาตัวรู้บริสุทธิ์ไหมไม่บริสุทธิ์แล้วเออแต่ถ้าเราแยกตัวรู้จากตัวคิดออกจากกันเนี่ยความคิดก็อย่างตัวรู้ก็อย่างบริสุทธิ์นะเหมือนกับน้ํากับน้ํามันไปเทใส่กันเนี่ย ถ้าน้ำมันแท้ๆเนี่ยมันจะมันจะถูกน้ำเข้าปนไหมเคยไหมเคยเทน้ำมันใส่น้ำไหมมันปนกันเนื้อเดียวกันไหมไม่คนละเนื้อเลยมันไม่เข้ากันน้ำมันก็คือน้ำมันน้ำก็คือน้ำตัวรู้ก็คือน้ำมันตัวไม่รู้ก็คือตัวน้ำอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าหากว่าน้ำมันไม่บริสุทธิ์พอเทโจ๊กลงไปมันไปปนกับน้ำเลยแต่ถ้าน้ำมันมันบริสุทธิ์มันลอยเลยไหมเพราะนั้นน้ำมันก็จะเบากว่าน้ำ น้ำทาใช่ไหมเพราะนั้นเรามาสร้างความรู้สึก <S <S คนไหนที่ความรู้เริ่มบริสุทธิ์มันจะรู้สึกเบาเบาเนื้อเบาตัววันนี้เบาวันนี้ยังไม่เบาเหรอกตั้งแต่พรุ่งนี้มาลืนนี้มันจะเริ่มเบาไปนะวันนี้ยังหนักอยู่เพราะอะไรตัวรู้ยังไม่บริสุทธิ์มันยังปนก็อยู่ระหว่างความคิดกับความรู้สึกคิดบ้างรู้บ้างคิดบ้างรู้บ้างปนก็อยู่แต่ในวันพรุ่งนี้มาลืนนี้วันต่อไปมน้ํามันมันเริ่มยมเคยเคี่ยวกะทิไหมตอนแรกมันเป็นน้ํากะทิใช่ไหมขุนขุนขาวๆอ่ะ พอเคี่ยวไปนานๆไนปไงน้ำมันเริ่มไปไงเริ่มลอยตัวใช่ไหมอ่าถ้ามันเป็นน้ามันเริ่มลอยตัวน้ําก็ไปไงเริ่มตกลงไปพอเคี่ยวไปนานเข้าน้ำเข้าน้ํากะทิก็เปลี่ยนไปนอะไรเป็นน้ํามันในที่สุดพอมันเปลี่ยนได้หมดน้ํากะทิยังเหลือไหมไม่เหลือเหลือก็จเป็นน้ํามันเน่เหมือนกับพอเราเคี่ยวตัรู้นี่ไปเรื่อยๆความคิดเือเริ่มตกตะกอน คคิดเรื่องตกตะกรนตุกตะกรนตัวเราก็เบาใจแล้วก็เบาสบายเรียกว่าปีติเกิดความเบาความสบายปีติะฉะนั้นเวลาเราตั้งใจทำเนี่ยมันก็จะเกิดภาวะอันนี้ขึ้นมานเป็นเรื่องที่ไม่ยากเป็นธรรมชาติเป็นเป็นรูปธรรมที่เห็นได้ชัดแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่มีประสบการณ์เนี่ยเราก็ยังพอใจที่จะคิดอยู่พอใจที่จะนึกอยู่ก็คิดก็นกึกก็ไม่ไม่ว่ากัน แต่ว่าเหมือนกับคนเคี่ยวน้ํามันอะ่ะมีความปรารถนาที่จะเปลี่ยนกะทิให้เป็นน้ํามันถ้าคุณไม่ดูแลไฟอะ่ะมันจะแยกได้ไหมตัวแยกต้องใช้ไฟแต่สมัยนี้เขาบอกว่าไม่ต้องใช้ไฟนะเขาเรียกอะไร <Yeah. S 1> โคเพลตอ่ะมันเป็นน้ำมันบริสุทธิ์ไหมโคเพลตเนี่ยไม่บริสุทธิ์เป็นน้ํามันตกตะกอนนะเพระเนาะฉะนั้นน้ํามันที่บริสุทธิ์คือ น, น้ํามันที่ผ่านไฟได้ผ่านความร้อนเพราะฉะนั้นตัว รู้ที่บริสุทธิ์ต้องผ่านความเพียรเพราะความเพียรเหมือนไฟขณะที่โยมทําเนี่ยรู้สึกสบายไหมไม่สบายหรอกเด่วงห่วงเด่วงเงาเดียวปวดเด่วเมื่อยเล่าร้อนตลอดอ น, นั้นคือไฟแต่เราจําเป็นต้องมีใช่ไหมคนไหนเพียรแล้วรู้สึกสบายมีความสุขนี่ไม่ใช่ละแ ส, สดงว่าไฟไม่ไฟอ่อนนะทําแล้วรู้สึกโอ้หมนห่วงมันเ ง, งามัม น, มมนเบื่อมันซึ้งมันขี้เกียจปวดเมื่อยทั้งเด้ทั้งตัวมันถูกต้องแล้วนั่นน่ะแสดงว่าไฟแก่ละ ต้องเร่งทำต่อไปใครบอกความเพียรสบายถ้ามันสบายไม่ถูกหรอกแสดงว่าไฟไม่แรงพอนะมันก็ฝืนทําเพราะอะไรตัวนั้นมันจะไปแยกอะไรความคิดกับความรู้ออกจากกันอ่าตัวเพียรนี่แหละเหมือนไฟมันจะไปแยกไฟมันจะไปแยกกะทิกับน้ํามันออกจากกันแล้วเขาเคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวไปสามวันห้าวันเจ็ดวันแต่น้ำมันมันเคี่ยวไม่ถึงชั่วโมงเลยใช่ไหมไฟมันแรงนะ แต่เราจะไปใช้ไฟแหลงมันได้ไหม่เร็วต้องเชี่ยวให้เป็นถ้เชื่อไม่เป็นก็ไหม้เลยนะล่ะนะท่านก็จะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกแต่ว่าเราไม่ยังไม่รู้ก็กลายเป็นเรื่องตลกใช่ไหมกลายเป็นเรื่องเผยเชื่อไม่ใช่เรื่องจริงแต่พอเราเข้าใจแล้วโอ้โหกลายเป็นเรื่องวิเศษมากเลยนะเพราะนั้นจึงอยากจะให้เราได้ยินได้ฟังเรื่องนี้เอาไว้วันนี้ยังไม่เข้าใจ แต่ทําไปเรื่อยๆแล้วมันจะเข้าใจนะวันนี้ยังไม่เข้าใจวันต่อไปอาจจะเข้าใจได้แต่สมัยก่อนเนี่ยคนสแสวงหาเรื่องนี้อยู่แล้วพอพระพุทธเจ้าพูดถึงปั๊บนี่ยเข้าใจได้ดวงตาเห็นธรรมเลยเพราะนั้นคนกลุ่มแรกที่ฟังแล้วเข้าใจได้เลยเนี่ยได้แก่ใครดูไหมฟังแล้วเข้าใจเลยคนแรกเรียกว่าห้าอะไร อัญญาโกณทัญญาเป็นกลุ่มของบรญจวคขีทั้งห้าใช่ไหมตั้งแต่ามานะมะวัปปะพทิยะม า, านะมะอจฉิทั้งห้าท่านเนี่ยปาวะโกณทัญญาหัวหน้าเพื่อนเนี่ยนะเข้าใจก่อนเข้าใจว่าไงรู้ไหมเข้าใจแล้วเกิดปิ้งขึ้นมาในใจว่ายังกินจิสมุตทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับ ไม่ดับไม่มีอ่าเข้าใจแค่นี้แหละอ๋อที่จัดมาทั้งหมดเพราะว่าทุกสิ่งเกิดแล้วมันดับแต่ดูเหมือนทุกแล้วเกิดมันไม่ยอมดับเพราะอะไรน่ดูเหมือนความคิดแล้วเกิดแล้วมันไม่ยอมดับเพราะอะไรความจริงมันดับไปแล้วแต่เพราะเราไม่รู้ว่ามันดับเราไปคิดว่ามันยังอยู่ไอ้ความคิดว่ามันยังอยู่ตัวนี้เขาเรียกว่าตัณหาอุปาทานเพราะอุปาทานของเรามันเกิดแล้วมันก็ดับไปแล้วเหมือนกับเขาด่าเราเนี่ย พอด่าเสร็จคำด่านั้นยังอยู่ในหูเราไหมมันจบไปแล้วแต่สิ่งที่มันยังเหลืออยู่คืออะไรไปสําคัญว่าไอ้คาด่ามึงด่ากูกูอยอ่าโมโหแล้วร่างกายมันรู้เรื่องไหมท่างกายตรงที่คําพูดกระทบมันจบไปแล้วใจมันดับไปแล้วแต่ว่าไปถูกจิตปั๊บมันไม่ดับตัวที่มันเข้าไปสู่จิตนี่เลงเราไม่รู้เท่าทันมันก็เลยไปกลายเป็นทันหาวทันมันก็เลยไปฝังอยู่ในใจของเรา เหมือนกับแมลงไปตอมเนื้อกอบปั๊บแน้ก็บินหนีไปละแต่วันต่อไปไปดูเนื้อก้อนนั้นเป็นไงนอนขึ้นยุบยับเลยแต่แมลงมันบินไปถึงไหนไม่รู้แล้วแต่ว่าหนอนมันยังอยู่นั่นหมายความว่าถ้าเราไม่มีสติสัมยากันแมลงวันไข่เนี่ยไม่มียาบริกกันแมลงมันต้องไข่ใส่แน่นอนมันจะกลายเป็นหนอน จิตของเราไม่มีสติสมญญงเหมือนกดบล็ลกฉาบท า, าไว้เมื่อมีสิ่งที่มากระทบมันจะต้องไขอวิชาดันหาวัานทิ้งเอาไว้แล้วอุปทานของเรานั่นเองเรียกว่าเป็นเหตุเกิดทุกทางจิตเขาด่าเรามันจบไปตั้งตอนที่มันด่าแล้วแต่ว่าที่มันไม่จบเพราะมันไขอะไรเราไว้อไขเอาไว้เพราะาเรายังมีอะไรอยู่อวิชาดันหาวัานไปยึดเอาไว้ว่ามึงด่ากู กูจะหาทางดาวมึงให้ได้อเดี๋ยวนี้อวิชาตันประทานล้วนๆเลยนะแต่จิตจิตเดิมจิตก่อนหน้าเนี่ยมันมีความคิดแบบนี้ไหมไม่มีเพราะว่ามันยังไม่ได้กระทบเพราะฉะนั้น่ลวงพ่อเรียนว่ากิเลสมันไม่มีมาก่อนแต่มันมีตอนไหนตอนที่กระทบแล้วเราไม่มีอะไรไม่มีความรู้เท่าทันความทุกมันเกิดตอนนั้นความทุกข์ไม่ได้มีมาก่อนแต่ที่มันมีเพราะเราไม่รู้เท่าทันในขณะที่กระทบ เนี่ยเราจะไปถึงจุดที่ว่ากระทบแล้วรู้เท่าทันถ้าหากว่ากระทบไปยี่ไปร้อยครั้งเนี่ยเรารู้เท่าทันถึงยี่สิบห้าครั้งอันนี้เราได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วนะกระทบร้อยครั้งเรารู้เท่าทันถึงห้าสิบครั้งเราเป็นสกิทาขาวมีแล้วกระทบร้อยครั้งเรารู้เท่าทันถึงแปดสิบครั้งเป็นอนาขาวมีแล้วกระทบร้อยครั้งเรารู้ทันถึงร้ยครั้งเป็นอะไรเป็นพระอรหันต์เห็นไหม เพราะฉะนั้นแต่กระทบร้อยครั้งเรารู้แค่ห้าครั้งสิบครั้งยังยังยังยังไม่ทันนะเพรา ะ, ะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกมากแต่เสด็จไดคนตายไม่ได้ฟังเนาะเออเสด็จไดคนตายไม่ได้อ่านเพราะฉะนั้นในคอนเซปต์เดียวกันว่าเรื่องการตัดสินของพระพุทธเจ้าควรที่จะเป็นเรื่องที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่ทําให้ง่ายอุตตานีกา ร, รติทําให้เหมือนการหงายของขี้ขุ่ม พระพุทธเจ้าท่านเท่านเกิดมาท่านมาทำหน้าที่อยู่สอย่างท่านานันน่ะหนึ่งมาเปิดของที่ปิดสองมาหงายของที่คว่วมสามมาบอกทางใก่คนหลงทางสี่มาชูแสงสว่างแก่คนที่มีดวงตาในที่มืดที่อย่างที่ว่ามาเปิดของที่ปิดเมื่อก่อนนะั้นิจังทุกขังหน้าตาที่มันอยู่ในกายเรามาตลอดชีวิตเนี่ยเราเคยรู้จักมันไหมไม่รู้จัก เราก็รูอันนี้จังทุกขังหน้าตาแต่ไม่รู้อยู่ในตาําราแต่ไม่รู้จักตัวจริงของมันตอนนี้ที่เราพลิกไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวยกตรวนั้นเดี๋ยวโยกตรงนี้เพราะอะไรเพราะกฎของอะไระกฎของใจรักเล่นงานเราอ่าแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราพลิกเราเปลี่ยนบำบัดความความความไม่สบายกายเนี่ยเรารู้ตัวไหมเพราะเราบําบัดด้วยอะไรสันชาติยานเมื่อบําบัดด้วยสันทิยานอะไรเกิดตามมา โมหะอวิชชาใช่ไหมแต่ณวันนี้เราพอาเรามาเจเริญสติเราสร้างตัวสติสัมยาขึ้นมาแทนตัวสติสัมยาเข้าไปรู้รับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนอเยะบท ด, ด้วยความรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวการที่เข้าไปตามรู้อนนีจังทุกขังตาด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวอันนี้จังทุกขังตาเปลี่ยนเป็นอะไรนะเปลี่ยนเป็นศีล ส, สมาธิและปัญญาถ้าเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเข้าไปเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น ราคะโทสะโมหะทันทีเลยเพราะฉะนั้นตัวรู้สึกตัวที่เราทําเนี่ยจึงเป็นตัวแปรที่สําคัญมากเราจึงทําเยอะๆทําสติเพื่อให้เป็นสัมปชัญญะทําสัมปชัญญะเพื่อให้เป็นสมาธิทําสมาธิเพื่อให้เป็นปัญญาเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นพ่อเป็นแม่ของธรรมทั้งหลายเป็นพ่อของแม่ของศีลของสมาธิและปัญญาพุทธิยถาถึงตรัสว่าอย่างนี้ว่าในป่านเนี่ย สัตว์ทั้งหลายทั้งจ ต, ตุบทวิบาทรอยสัตว์เหล่านั้นไม่มีรอยสัตว์ใดใหญ่กว่ารอยเท้าช้างแต่หลวงพ่อไปดูแล้วแล ร, รอยเท้าแรลทใหญ่กว่าช้างอีกนะสมัยนั้นคงยังไม่เจอแรลทนะชันใดในธรรมของเราตถาคตแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันมารวมรวงในธรรมหมวดเดียวคือสติสติจึงเป็นอธิปไตย สติอธิปัตยญสติจึงเป็นใหญ่กว่าธรรมทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นเราสร้างสติแต่ต้องเป็นสัมมาสตินะมันถึงจะไปเป็นสัมพยายาัมพยธ า, ยาสมยาธิและปัญญาให้แต่ถ้าเป็นมิจฉาสติมันก็ไม่เป็นศีลสมิธปัญญามิจฉาสติสัมมาสติต่างกันเนี่ยโยมไปดื่มน้ำเนี่ยรู้ตัวไหมว่าดื่มน้ารู้ตัวไหม ไม่รู้เราดื่มไปแล้วใจเราอยู่กับการดื่มไหมไม่ได้อยู่ใจเราอยู่ที่ไหนโอ้วันนี้จะไปไหนนะจะจะทาอะไรนะจะปินข้าวกับใครนะน้ำก็ดื่มไปด้วยใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเราอบรมปฏิบัติเาขณะ ด, ดื่มน้ำเราเห็นตั้งแต่โอ้ไม่มีแก้วน้ำเนาะเอาแก้วนี้ก็ได้ตั้งแต่เรายกแก้วน้ำขึ้นมาขอน้ำแก้วสิเออจะได้สมจริงหน่อย เขาหงพ่อก็หิวเด่นนะแต่พระท่านไม่รู้ตัวแล้วยกน้ําขึ้นมามาเจาะปากแล้วก็ดื่มลงไปรถของน้ําเป็นรถยังไงดูเคยรู้ไหมว่าอยากถามโยมารถของน้ำดื่มน้ำมาตลอดชีวิตเลยรู้จักรถของน้ำมั่งเป่ารถเป็นไงรถน้ํำรถของน้ําคือรถยังไงเออเห็นไหม เนี่ยมันใกล้ที่สุดเพราะเราดื่มแบบขายสตินั่นเองเราจึงดืมม่มน้ำมาตลอดชีวิตแต่ไม่รู้จักรสของน้ำโยแม่เกิดมาตั้งเจ็ดสิบแปสิบแล้วรสของน้ำเป็นรสอย่างไรฮะรถจือดนะก็ะสะแสดงมันมีรสอยู่ใช่มแต่มันจืดเท่านั้นเองอ่าง่ายง่ายไหมง่ายง่ายนะรสของน้ำเป็นรสจืดถ้ารถจัดเป็นรสนมม้ำไห ไม่เป็นรถจัดก็จะเป็นรถอย่างอื่นนะรสเรีวรวารถมันรถเค็มรถจืดคือรถของน้ำรถของสติก็เหมือนรถของน้ำคือมันจืดมันชืดคนถึงไม่ชอบไงแต่ในบ้านของเราเนี่ยเราเก็บน้ำจืดกับน้ำจัดเนี่ยเราเก็บอะไหน้ามากที่สุด ท, ทั้งที่มันไม่อร่อยทำไมเก็บไปเยอ ะ, อะอได้เกินน่ะเพราะมันใช้ได้ทุกเรื่อง มันจะซักผ้ามันจะใส่หม้อแกงมันจะอาบมันจะสงมันจะทำอะไรทุกเรื่องโยมเคยเอาน้ำกาแฟไปซักผ้ามึ้งไหมไม่เคยเอาน้ำปลาไปใส่หม้อแกงเอาน้ำปลาไปถูบ้านมั้งไหมไม่เห็นไหมน้ำจัดเนี่ยมันจะดีราคาแพงกว่าน้ำขนาดไหนแต่มันก็ได้เฉพาะเรื่องแต่น้ำจืดมันใช้ได้ทุกเรื่องสติเนี่ยมันจะจืดขนาดไหนแต่มันใช้ได้ทุกเรื่อง แต่ทำอย่างอื่นมันจะดีขนาดไหนแต่มันก็ไม่มันไม่ได้ใช่ได้ทุกเรื่องมันเป็นเพียงเครื่องมือแต่น้ําสติคือเป็นเสมือนน้ําจืดเพราะนั้นรสของสติเป็นรสเดียวอ่าเป็นอมตะรสนะคือรสที่ไม่มีรสอร่อรสจืดนะเพราะนั้นสตินั่นเองคือเป็นอมตะรสแต่เราจเจริญสติไปเยอะๆก็สั่งสมน้ําสั่งสมตัวรู้เยอะๆเพราะมันจําเป็นมันไม่อร่อยหรอกใช่ไหม ถ้าจะให้อร่อยต้องเอาน้ำจืดไปสร้างเป็นน้ำอื่นขึ้นมาใช่ไหมไปสร้างเป็นน้ำอะไรบ้างน้ำสีน้ำสมาธิน้ำปัญญาน้ำเมตตาน้ำบุดิตาน้ำเฟคาน้ำขันติน้ำาสจากก็ว่าไปเพราะนั้นเองจืดไหมน้ำจืดแต่ว่ามันอุ่นนิดๆร้อนหน่อยๆเป็นน้ำจืดไหมก็ยังจืดอยู่นะ แังนั้นเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องของชีวิตจริงที่มีอยู่ในชีวิตจัรวันของเราแต่เนื่องจากเราไม่รู้เท่าทันเราจึงเห็นว่าชีวิตนี้ต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้ น, า น, นตามกำลังของอวิชชาตันหาประทานของเราเองนะเพราะ น, น, นวิชาตันหามันก็เหมือนน้ำเค็มน้าเผ็ดน้ำเปรี้ยวน้ำเน่าแต่ถ้าเราเป็นน้ำหวานน้าหอมมันก็เหมือนศีลสติปัญญา แต่มันจืดแบบไม่มีวันขำไม่ไม่หอมไม่เหม็นไม่เสียก็คือสตินั่นเองสติจึงเป็นใหญ่ของทมทั้งปวงนะะนั้นก็อยากจะให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าจึงเอาสติมาเป็นฐานของทาทั้งปวงเรียกว่าสติปฐานพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้คว่าปัญญาปฐานสมณิปฐานศีลปฐานไม่ท่านเอาสติมาเป็นปฐฐานบาตรฐานของทำทั้งปวง เพราะนั้นเราทําเจริญสติเนี่ยทุกคนทําได้แต่ว่าจะถูกหรือไม่ถูกถูกกี่เปอร์เซ็นต์นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเราเจริญสติเราก็ต้องแสวงหาความถูกต้องด้วยว่าจะทำไงให้มันถูกถ้ามันถูกแล้วเนี่ยมันดับมันดับทุกได้ทุกเรื่องนะแต่ถ้ามันผิดอยู่มันแค่ดับทุกได้บ้างไม่ได้บ้างนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราลําดับถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ว, ว่าที่เราทํานี่มีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรนะ